คืกตาตัวที่16นี้นะค ะ, คะก็ได้กล่าวคำสรรเสริญนะคะว่าในแผ่นดินพระสุธานกว้างใหญ่จดมหาสมุทรทั้ง4เนี่ยจะหาผู้ใดเสมอเหมือนพระเจ้าวิกรมาทิตย์ไม่มีพระองค์ทรงมีคุณลักษณะอันเลอในด้านความกล้าหาญยิ่งใหญ่เมตตากรุณาไม่ถือพระองค์มีความอดทนอดกลั้นและข้อสำคัญนี่นะคะพระองค์มีคาสัตว์ไม่มีความเท็จนะคะพูดคำนีนคำนั้นรักษาสัจจะ นะคะก็ปากกระใจตรงกันใจคิดอย่างอย่างไรปากก็พูดอย่างนั้นนั่นคุณธรรมอันล้ำเลิศนอกเหนือจากความกล้าหาญยิ่งใหญ่เมตตามไม่ถือพวกกฎกั้นแล้วเนี่ยสิ่งที่ดีที่สุด ข, ของพระองค์ก็คือสัจจะนะคะแล้วก็พระองค์นี่คือจริงๆแล้วสัจจะ บ, บารมีเนี่ยเป็นคุณสมบัติแต่ถ้าพูดเราทั้งเทียบท้งพูดเรานะีก็คือบารมีสิทธัตเป็นประการที่1นึ่งใช่ไหมอาจารย์ค่ะสัจแมคค่คือคือทั้งหมดเลยเนี่ยนะคะมีความสําคัญเท่ากันนะฮะ มีความสําคัญแต่ว่าสัจจะนีคุณจะอยู่ที่จะทําให้ครับบารมีทุกๆบารมีเต็มต้องต้องมีสัจจะก่อนหรือนั้นจะบอกว่าเป็นประการที่หนึ่งหรือไม่เนี่ยแอนบอกไม่ได้แต่ว่าถ้าถ้าใครก็ตามเนี่ยถือสัจจะหาความเท็จไม่ได้ปากกระใจตรงกับคือคือหมายถึงว่าใช่ค่ะคือไม่ไม่มีการพูดเท็จนะคะคือพูดคําไหนก็คํานั้นด้วยนะคะ จะพูดอย่างไรเนี่ยมีผลอะไรตามมาพราะองค์ก็ยอมรับทั้งหมดอย่างนี้เนี่ย<ะ>ถือว่าเป็นผู้ทรงคุณธรรมอันแท้จริงนะคะนี่เป็นการส่งเสริลของปุตริกาแก้วะ ค, ะคือคนในสังคมในอดีตเนี่ยนะครับเวลาเขาจะได้รับการยกย่องบูชาหรือว่าได้รับการยอมรับจากมหาชนเนี่ยด้วยความที่มหาชนอาจจะได้มีโอกาสเข้าไปศึกษาธรรมะในพุทธศาสน า, าหรือว่าแม้แต่ในฮินดูเองก็ตามนะครับจึงได้มีปัญญาพิจารณามองเห็นอย่างถ่องแท้ว่าบุคคลท่านนี้ เป็นผู้มีสัจจะเป็นคนที่ได้ประกอบบารมีมาจริงก็นับถือยกย่องให้เป็นผู้นําสังคมมันก็ร่มเย็นเป็นสุขแต่ถ้าในทางตรงกันข้ามมันก็เป็นทุกข์ค่ะที่นี้ความดีของของพระองค์เนี่ยนะค ะ, คะก็ได้รับกรรมข่าวสรรเสริญไปถึงเทวดาทีเดียวนะค ะ, คะแล้วก็ข้อสําคัญคือเขาได้กล่าวว่าท่าแท้ของสาธุชนเนี่ยจะต้องเป็นคนกรุณาและกล่าววาจาไพเราะสาธุชนคือคนดีเนี่ยจะต้องเป็นคนที่มีความกรุณาแล้ว จะต้องดีด้วยไม่ละขายเคืองผู้ใดแต่ตคือมีเมตตาหาที่สุดไม่ได้<ช>นะครับเทวดาทั้งหลายเนี่ยเมื่อพระอินท์ประทับอยู่ในรัตนบัลลังก์ท่ามกลางคณะเทศเทวทศภาครับนะถวยเทพเต็มไปหมดเลยท้าโลกบาลประจําทิศนะคะแล้วก็รวมทั้งพนารอดฤาษีฤาษียกักษ์กะกลนธ น, นาคาอักษ ร, ร, รทั้งหลายเนี่ยมาหมดเลยเนี่ยนะคะพนาลอดฤาษีเนี่ย ก็ได้กล่าวชมประกิตคุณของพระเจ้าวิกรมารทิตเพ่า <Okay. S 2> มีความสุภาพเรียบร้อย hmm. มีวิรกรรมที่กล้าหาญมีความเมตตา <Okay. S 2> นะคะวัะนดาที่ประชุมฟังนะเห็นด้วยกับมีไม่เห็นด้วยกับมี <Okay. S 2> นะคะก็พ่านาราย ก, ก็บอกเราจะไปสงสัยอะไรตรงไหนเนี่ยไม่เห็นหรือว่าคือ มนุษย์คนหนึ่งเนี่ยสา ม, มารถที่จะมีความดีขนาดเนี้ก็เพราะว่าการประพฤตินตนอย่างสม่ําเสม อ, อมเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่มั่นคงในตำบาก้าอาหา ร, รับมีความเป็นประหูสูตรมีความรู้ศึกษาอยู่เสมอมีวินัยนะคะแล้วก็จริยวัตรเนี่ยก็เป็นจริยวัตรที่เต็มไปด้วยความเมตตาวาจาเก่าวเส้นไรก็เป็นเช่นนั้นการกระทําก็เป็นไปตามวาจาอาจารย์ทวนไหมครับ ประโยคนี้สำคัญจริงๆฮะเพราะว่านี่คือจริยาของสิบุคคลที่เราพึงจะนับถือได้ค่ะข้อแรกก็คือว่าถ้าแท้ของสาธุชนเป็นคนกรุณาต้องมีความกรุณากล่าววาจาไพเราะมีเมตตาหาที่สุดไม่ได้ฮะนะคะการคิดพูดกระทําหาความผิดไม่ได้คิดอย่างไรวาจาก็กล่าวเช่นนั้นกล่าววาจาอย่างไรก็ทาอย่างนั้นรู้จริพูดจริงทจริง รู้จริงผู้จริงทําจริงในครูบาเจ้าก็สอนเรามาอีกเหมือนกันนะคะแล้วก็จะต้องมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่มั่นคงในตบะเสมอต้นเสมอปลายกล้าหาญมีความเป็นประหูสูตรมีความรู้เยอะมีวินัยนะคะมีจริยวัตรคือที่สม่ำเสมอตลอดนะคะไม่มีการเลิ้งไม่มีการหลงนะคะไม่มีเลยนะคะประโยคหนึ่งที่ครูบาเจ้าเถียงท่านได้สอนพวกเราเที่ยวเนี่นะครับ ท่าก็บอกว่าที่ไหนเนี่ยผมจะไม่ไมในใจว่าครูบาเจ้าเทืครูคบาเจ้าผลชุ่มนะครับถ้าที่ไหนมีปัญหาเนี่ยแสดงว่าคนนั้นไม่มีปัญญาคือถ้ามีปัญญาไปอยู่ที่ไหนก็ตามทําอะไรดูมันดีไปหมดนะครับแต่ถ้าไม่ได้ใช้ปัญญาหรือใช้อวิชาคร่อบ ง, งาํามันก็จะมีปัญหาที่มันชัดๆเลยสั้นๆเนี่ยนะครับทีนี้ก็ก็มีโคนะคะโคต น, นึงนี่ยก็พูดขึ้นมาว่านะคะโคเทวดานะฮะเทวดาหน้าเป็นโค ความแตกต่างกันอย่างสําคัญก็เห็นกันอยู่ในฝูงมาชนิดต่างๆช้างโลหะธาตุไม้ศิลาเสื้อผ้าออรวามรู้สติและน้ําครับคือทุกอย่างเนี่ยสรรพสิ่งมันมีความแตกต่างก็พระเจ้าวิกรมาทิสจะมีอะไรพิเศษต่อคนอื่นที่สังเกตฮะคนอื่นเขาก็อาจจะดีเหมือนกันอพระอินทร์ก็เลยบอกแม่โคการเทนุว่าจะพูดอย่างนี้ก็ดีแล้วเพื่อพิสูจน์ความจริงอันนี้ลงไปสู่โลกมนุษย์แล้วก็ไปดูมาละกันครับแล้วก็มารายงานให้กับเทวสภา แม่โคกามาเทนุก็รับบัญชาก็แปลงกายลงมาเป็นแม่โคติดลมโคลนอยู่พอพระเจ้าวิกรมารทิศเดชผ่านมาก็ส่งเสียงร้องให้ช่วยพระราชาด้วยพระแทนเมตตาก็เสด็จเข้าไปดูก็เห็นแม่โคพยายามตะไกายให้พ้นลมก็ไม่สําเร็จตอนนั้นก็มีเสือตัวหนึ่งกําลังย่างก็มาพระราชาก็รีบขับไล่เสือแล้วก็เสด็จลงไปช่วยดึงแม่โคขึ้นมาแต่ดึงเท่าไั้นนี้เป็นโคเทวดานะคะดึงไม่ได้ครับก็ทําตัวหนักเข้าไว้ ในที่สุดก็ถึงเวลาคำ่ำสมัยก่อนไม่ได้มีไฟฟืนอย่างปัจจุบันฝนก็ตกอีกพระราชาก็อดทนนั่งเฝ้าไม่ได้เสด็จไปไหนหนาวเด็ดไปนั่งพระองค์อยู่เป็นเพื่อนจนสิ้นลาเตยแสงสุวรรณารุนฉายก็คือพระอาทิตย์ส่องขึ้นมาจับขอบเรียกว่าขอบฟ้ามแม่โคก็หลุดจากลมขึ้นมาได้ง่ายไดย้เพราะว่ามองเห็นว่าพระเจ้ามีการมาธเนี่ยอยู่เป็นเพื่อนตลอดคืน ก็ตกก็อดทนมีคันติ <ฮะ S 2> เรียกว่าพังพร้อมไปด้วยความกล้าหาญคันติรบตะบาดโหทุกอย่างจริ ง, รงครับนี่คือคู่ที่มีคุณธรรมล้ำเลิศ <ฮะ S 2> ถ้าเราเปรียบเทียบทางพุทธเรานี่ก็เป็นคุณสมบัติของพระโพธิสัตว์นะคะคนึกถึงคนอื่นแม้กระทั่งเป็นแม่โคเนี่ยก็ยังไม่ละเลย ะะที่เอ า, าใจใส่ดูแลอย่างติดใจแต่ต้อย <ใน S 1> แค่ไหนคือคนปัจจุบันนี้ในเวลาดีถ้าเราจะรู้ว่าดีจริงหรือไม่นี่ให้ดูคนใกล้ตัวอย่างที่แอนผู้เสมอๆนะคะเราจะโทรศัพท์คนใช้มารับกับพูดกับยามหน้าหมู่บ้านกับคนขับแท็กซี่คนกวัดถนนคนที่เขาเป็นผู้ใช้แรงงานทั้งหลายเนี่ยถ้าเรายังดีเสมอเหมือนกับดีกับคนที่เสมอทีกว่าเราเนี่ยคนนั้นคือคนดีจริงนะคะแต่คนที่ใช้วาจะพูดกับคน เรียกว่าต่างฐานะก็ต่างวาจาเนี่ยใช้ไม่ไดนะ้ยังใช้ไม่ได้บาลมียังไม่ถึงนะคะเจ้าโคตัวนี้ก็บอกว่าดูก่อนมหาลาชะโปรดทรงทาบเถิดเปิดเผยตัวนะข้านี้เป็นแม่โคสวรรค์การมาเทนุลงมาสู่โลกเพื่อพิสูจน์ให้ชนทั้งหลายว่าพระองค์เป็นผู้ที่ดีจริงดีแท้นะคะไม่เลือกเรียกว่าคนหรือสัตว์นะคะคือดีหมดนะคะมีความกระหายอดทนนะคะมีตบะ คือข้าได้ประจักษ์และถึงความมหาเมตตามีตบะคันติของพระองค์เป็นบุรุษสุดประเสริฐนะคะก็จะให้พรตามที่ขอครับพระราชาบอกโอ้ข้าไม่ขออะไรหรอกเมื่อได้พบอย่างนี้เนี่ยข้าก็ปลื้มใจแล้วนะคะคื่ได้พบเห็นเร่องนี้ข้าจะปรารถนาอะไรละ่ะพรของข้าไม่ใช่ไรค่านะเมื่อตั้งใจจะให้ใครแล้วก็คุณจะรับไว้แม่โกลก็บอกนะคะเพราะฉะนั้นเมื่อพระองค์ปฏิเสธก็จะอยู่กับพระองค์นี่แหละอืมก็แม่โกลก็เดินตามไปทุกคนทุกแห่ง ในที่สุดเมื่อพระราชาเสด็จมาถึงทางใหญ่ก็พบพราหมณ์ผู้หนึ่งรพราหมณ์พอเห็นพระราชาก็กล่าบทรัศดุดีนะคะคือเรียกว่าพราหมณ์นี่เห็นใครก็ให้พรนะนะคะคเมื่อจบคาถาวอวยพรพราหม์ก็กราบทูลว่าข้าแต่นาราบุรีอ่านาราบุรีคือข้าพเจ้านิโจรมากเลยก็เลยกลายเป็นนักมายากลนะคือคำว่านักมายากลนี่หมายความว่าเป็นปริศนานะคะคือว่าถ้ามองเห็นคุณทุกคนเลยแต่ไม่มีใครมองเห็น นี่คือคนจนคุณ จ, จู๊ดเข้าใจไหมตัวเขาเนี่ยมองเห็นทีเ่เขากล่าวเป็นคําปริศนาครามก็บอกว่าความจนเนี่ย เ, าเขาก็เลยทําให้เกิดสิ่งที่เป็นมายาอยู่ในโลกนี้นะคะคือเขาก็เหมือนจะเป็นนักล่องหนหายตัวไม่มีใครเห็นเาตัวตัวก็เลยตาหน้าว่ายากจนแล้วก็ถูกลังเกียดด้วยน ะ, นะคะคือหาว่าตัวเขาเนี่ยโสโครกแม้กระทั่งเข้าไปขออาหารเนี่ยก็ไม่มีใครให้นะเพราะเห็นเขายากจนสกโปก แล้วมันทำไมข้าถึงต้องทนทุกข์ทำไมข้าจะต้องมีกำเนิดบิดชะตาลำเคินอย่างนี้แล้วก็พระราชาก็เลยตัดบทมาเอาละพรามสรุปง่ายง่ายว่าจะเอาอะไรพรามณ์ก็บอกว่าโ oh, อ้อริยบุตรพระองค์คือปรึกษาจินตามณีที่จะอำนวยประโยชน์โดยแท้ขอช่วยกำจัดความยากไร้ของข้าให้หมดไปเถิดพระราชาก็เลยขอพรจากแม่โคให้กับพราหมณ์นี้ไปอืม คือพอรทั้งหมดก็ให้กับพราม น, นี่เลยไม่ได้ขอให้ตัวเองเพราะว่าแม่โควก็บอกถ้าเกิดไม่ไม่รับพรไปก็จะไม่ไปไหนคนดีรู้จักพอครับมีอะไรถ้ายังมีมาอีกก็ต้องแจกจ่ายแล้วล่ะคะ่ะครับนะคะนี่ก็เป็นคุณธรรมอีกประการหนึ่งเป็นตุ๊กตาตัวที่ส6นั้นซึ่งพระราชาพโภชานี่ก็มองเห็นความยิ่งใหญ่ของพระชาวิกรมาทิตย์มากขึ้นมากขึ้นครับ พระองค์ก็หยุดคิดไม่ได้หยุดเรื่องเลยพระองค์ทําไม่ได้นะคะทบทวนถึงความดีของพระเจ้าวิกรธรรมทิศถึงความมั่งมีอันล้่นเหลือแต่มีแล้วพระองค์ไม่ได้เก็บไว้กับตนพยายามที่จะแจกจ่ายให้กับคนที่ที่ด้อยกว่าโดยไม่เลือกว่าคนนั้นจะเป็นใครก็ตามนะคะนี่เป็นคุณธรรมอีกข้อหนึ่งพระราชาก็ก้าวต่อไปขึ้นสู่ตุกตาตัวที่ยี่สิบเจ็ดนะครับฟังดูแล้วนะคะคุณชูดเราจะมองเห็นอยางหนึ่ว่า ผู้ที่มีอํานาจมากที่สุดร่ํารวยที่สุดนะคะกล้าหาญที่สุดมีพะละังกาลังมากที่สุดเป็นมีรักกษัตริย์ท่ามกลางมหากษัตริย์ทั้งปวงเนี่ย<ะ>ก็ยังคงมีนิสัยเหมือนเดิมตั้งแต่ตุ๊กตาตัวที่หนึ่งจนถึงตุ๊กตาตัวที่จะขึ้นยีแล้วเนี่ยก็ยังเหมือนเดิม เสมอต้นเสมอปลายเพราไม่ได้เหลิงในพระราชอำนาจที่โอ้โหมากมายมหาศาลเป็นจักรพรรดิแล้วนะคะครับนะคะเรียกว่าเป็นเจ้าแห่งเรียกว่าจักรพรรดิเรียกว่าแตงแผ่นดินของอินเดียเลยนะคะครับนิยายสันสกฤตในเรื่องของวิกรตมริฤตเนี่ยนะครับที่อาจารย์แอนได้นํามาฝากท่านผู้ฟังทุกท่านก็คงไม่ได้มีวัตถุประสงค์ที่จะได้ให้ไปคิดไกลออกไปนอกตัวไปถึงไหนๆนะครับเพียงเฉพาะแต่ท่านผู้ที่ติดตามรับฟังแล้วก็ท่านที่ได้ เรียกว่าพิจารณาตามไปก็ควรที่จะได้ประโยชน์จากตรงนี้ไปนะครับคือเราก็คงไม่ต้องใช้เวลาเที่ยวไปทวงถามถึงคนนั้นคนนี้ว่าใครเป็นอย่างไรมองตัวเรากันเองดีกว่าผมเองก็เช่นกันนะอาจารย์ครับโดยเฉพาะยิ่งในสภาพที่บ้านเมืองเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยผมคิดว่าความเป็นพุทธศาสน ก, กชนของเราเนี่ยนะครับคงต้องยกคาของพระพุทธองค์มาพิจารณาให้ดีว่า พวกเราจงกล่าวโทษโจดขานตัวเองตรวจตาดูตัวเองให้ท้วนถีนะครับว่าเราเป็นพุทธศาสนิกชนที่มีธรรมอยู่ในใจเพียงใดเราจะแก้ปัญหาโดยธรรมมากน้อยขนาดไหนก่อนที่จะไปตัดสินพิจารณาว่าคนนั้นดีคนนี้ชั่วหรือว่าจะไปวิจารณ์ตรวจตราคนอื่นเขาผมแค่ว่านี่เป็นวิถีทางธรรม ท, ที่จริงแท้แน่นอนที่สุด